มีหลายสถานที่หลายแห่งตามวังเจ้าที่ขึ้นชื่อลือชาแล้วก็โจดจันกันนะี่แหละว่าผีดุค่ะสำหรับคนที่ได้พบเห็นก็มีตั้งแต่ระดับชั้นเจ้านายในวังไล่ลงไปถึงข้าราชบริพารแล้วก็ทหารยามนะคะหรือว่าจะเป็นตำรวจเฝ้าวังค่ะเรื่องของโอปติกะที่มาปรากฏกายให้เห็นบ้างก็ว่าเป็นคนเก่าแก่ที่ตายไปนานแล้วแต่ว่าวิญญาณเนี่ยยังคงอยู่ณนะสถานที่แห่งนั้น ซึ่งคงเป็นเพราะว่ามีความผูกพันเคยอยู่อาศัยมานานก่อนตายแล้วก็คนที่มีประสบการณ์พบเห็นวิญญาณหลายคนค่ะได้บอกเล่าตรงกันว่าวิญญาณเหล่านั้นโดยมากนะคะมักปรากฏร่างให้เห็นเฉยๆไม่พูดไม่จาแล้วก็หายไปบางทีนะคะก็มายืนก้มหน้าหรือว่ามายืนหันหลังให้แต่ว่าบางครั้งก็มาให้เห็นแค่ครึ่งตัวคือว่ามีแต่ท่อนบนนะคะแล้วก็ไม่มีท่อนล่าง ที่วังหน้าก็เช่นกันค่ะซึ่งอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ปรากฏเรื่องเล่ากันต่อๆมาว่ามีเจ้านายแล้วก็คาดราชบริพารในวังเนี่ยถูกผีหลอกพร้อมกันซึ่งวังหน้าที่ว่าปัจจุบันนี้คือพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนคร น, นั่นเองส่วนเรื่องโอปติกะ ที่พบเห็นนั้นนะคะก็เล่ากันว่าเมื่อครั้งที่วังหน้ายังมีเจ้านายประทับอยู่ก็เล่าลือกันว่าที่วังนี้มีผียายแก่ดุนะคะ่ะทำให้คนในวังเมื่อไปไหนมาไหนยามค่ำคืนต้องเดินเกาะกลุ่มกันเป็นพรวนเพราะว่ากลัวผียายจ้อยออกมาหลอกล้อน และแล้วค่าคืนหนึ่งที่เกิดเหตุกับกลุ่มเจ้านายแล้วก็ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเมื่อส่งไปเยี่ยมเยียนเจ้านายด้วยกันแล้วก็ต้องเสด็จกลับตำหนักในยามดึกทั้งๆ ท, ท, ที่มีคนตามเสด็จเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีข้าราชบริพารถือโคมไฟส่องสว่างนำหน้านะคะแต่ก็เป็นที่รู้กันเหน ว, ว่าบรรยากาศภายในวังเวลาค่าคืนนี้เนี่ยเงียบสงบแล้วก็วังเวงดูน่ากลัว สำหรับคืนนั้นเนียคะเมื่อกลุ่มเจ้านายเดินผ่านข้างพระที่นั่งองค์หนึ่งจับพลันค่ะสายตางทุกคนก็ไปสะดุดเข้ากับหญิงชราห่มผ้าขาวนั่งอยู่ข้างทางเมื่อเอาคมไฟไปส่องก็ทำให้ขนหัวลุ ก, กเกลียวเลยทีเดียวเพราะว่าหญิงชราคนนั้นก็คือยายจ้อยข้าราชบริพารคนเก่าคนแก่ที่ตายไปนานแล้วล่วะคะ่ะ สาเหตุที่ยายเจ้อยปรากฏร่างให้คนเห็นก็คงจะอยากให้ทุกคนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บ้างเพราะว่าภูมิของวิญญาณผู้ที่ตายไปจะได้อยู่ลําบากหรือว่าสุขสบายนั้นก็ขึ้นอยู่กับแรงบุญที่เคยสร้างไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตนะคะชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เท่านั้นค่ะหากใครที่ไม่ค่อยสร้างบุญกุศลเมื่อตายไปแล้ววิญญาญย่อมไม่สงบก็ต้องมาแสดงตัวให้คนเห็นอยู่เรื่อยเพื่อขอแบ่งส่วนบุญและเมื่อวิญญาณได้รับแล้วเขาก็จะไม่มารบกวนอีกค่ะ เวลาบนโลกของคนเรานั้นยาวสั้นไม่เท่ากันหมั่นสร้างความดีละเว้นความชั่วทำใจให้บริสุทธิ์ซะดีกว่านะคะเพราะว่าสำหรับผู้ที่ต้องตายไปเงินทองของเราเนี่ยจะเอาไปแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่ได้มีเพียงแค่บุญกุศลเท่านั้นที่เป็นทรัพย์อันมีค่าซึ่งจะติดตัวเราไปใช้ในปรโลกได้นะคะ โอปติกะในวังเจ้ายังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เล่าฐานกันถึงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางภายในรั้ววังที่เกลียดชังความสก ป, ปรก ค, ค่ะสถานที่แห่งนั้นก็คืออาณาเขตภายในพระบรมมหาราชวังเหตุเกิดที่บริเวณอาคารชั้นนอกที่เรียกว่าหอรัชดากรพิพัฒน์ ถ้าหากว่าเข้าทางประตูวิเศษชยัยศรีหอรัษดากรพิพัฒเนี่ยก็จะอยู่ริมขวามือของประตูเป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ใหญ่โตโออาสง่างามค่ะยาวเรียบกำแพงวังไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระสวงพระคลังมหาสมบัติ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครั้งนั้นได้มีการนำกำลังตำรวจนะคะเข้ามาตั้งกองรักษาการอยู่ตามจุดต่างๆในเขตพระบรมมหา ร, ราชวางังแทนทหารเพราะว่าขณะนั้นทหารเนี่ยต้องไปรวมกำลังพร้อมรบเพื่อป้องกันประเทศอยู่เหตุก็เลยเกิดขึ้นกับตารวจนายหนึ่ง ซึ่งเป็นตำรวจหนุ่มที่ถูกจัดให้มาเข้ากองเวรรักษาการในพระบรมมหาราชวังโดยเข้าเวรรักษาการที่หอรัสดากรพิพัฒน์แล้วก็ประตูวิเศษชัยศรีตำรวจหนุ่มนายนี้เป็นคนกลัวผีค่ะและก็รู้ว่าในวังหลวงแห่งนี้เนี่ยผีดุถ้าหากว่าใครทําอะไรไม่ถูกไม่ควรมักจะเจอดีแต่เมื่ออยู่ๆไปยังที่ที่ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นใจมันก็เลยกล้างไงคะรับจ้างอยู่เวรดึกแทนเพื่อนตำรวจด้วยกัน คืนนึงเนี่ยค่ะในราวตีหนึ่งค่ะขณะที่อยู่ยามที่หอรัศดากรพิพัฒน์เวลานั้นทุกทุกคนในวังก็ไม่ค่อยมีกันแล้วก็สถานที่ในวังก็เงียบสงบค่ะมีเพียงแค่แสงสลัวอยู่ตามจุดต่างๆในวังเพราะว่าอยู่ระหว่างสงครามก็เลยต้องพลางไฟทำให้ทั่วทั้งวังเนี่ยมีบรรยากาศอึมครึมชวนให้วดหวัดแล้วก็บังเอิญเหลือเกินว่าคืนนั้นเนี่ยมีเหตุให้ให้เกิดขึ้นกับตารวจผู้นี้ เกิดปวดท้องเข้าห้องน้ำค่ะจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเดินไปถ่ายที่ห้องน้ำในตึกกองกำลังรักษาการนะคะ่ะก็กลัวผีสีทีนี้แล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีใครไปเป็นเพื่อนจนในที่สุดต้องหาทางออกโดยเดินเลาะไปหลังตึกหอรัษดาก่อนพิพัทซึ่งเป็นซอกระหว่างตัวตึกกับกำแพงวังแล้วก็จัดแจงปลดทุกที่ซอกนั้นเลย พอเสร็จธุระกำลังเดินออกจากซอกตกใจสุดขีดเพราะเหมือนมีใครเอามือมาตบที่ศีรษะอย่างแรงเมื่อรีบหันไปดูก็ไม่มีใครก็เลยรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่ ง, งนะฮะจนถึงที่พักเข้ามุ้งได้ก็พยายามข่มตาหลับเพื่อไม่ให้คิดมากจนหลับไปนานพอสมควร มารู้สึกตัวอีกทีนึงก็เหมือนมีอะไรมาทับหน้าอกทำให้อึดอัดหายใจไม่ออกนะคะพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นคนรูปร่างใหญ่โตหัวโล้นไม่มีผมค่ะยิ้มให้ฟันขาวเต็มปากอยู่ในความมืดแถมยังก้มลงมาจ้องมองหน้าเกือบจะชนกัน กลิ่นเนี้ยเหม็นสางคุ้งไปด้วยความกลัวก็เลยตะโกนสุดเสียงจนร่างนั้นหายไปแล้วก็รีบวิ่งออกจากมุง้งเข้าไปอยู่ในมุ้งเพื่อนตำรวจด้วยกันตัวสันงานงกกรีบเล่าให้เพื่อนฟังว่าตัวเองเนี่ยโดนผีหลอกเข้าให้แล้ว พอหายตื่นกลัวค่ะก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ค่อยๆทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเข้าใจว่าที่ตัวเองเจอดีเช่นนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าทำไม่ถูกไม่ควรกับสถานที่ไปถ่ายเลอะเทอะข้างกำแพงวังทำให้เจ้าที่เจ้าทางท่านไม่พอใจก็มาลงโทษให้หลาบจำเหมือนกับที่ใครๆหลายคนเคยได้เจอมานั่นเองนะคะทีนี้เรื่องราวของโอปติกะในวังเนี่ยยังไม่ได้จบอยู่แค่นี้คุณผู้ฟัง ยังมีเรื่องเล่าอีกหลายเรื่องเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเล่าที่ชวนพิสวงที่พระราชวังเดิม สมัยที่ยังร่ำเรียนอยู่ในรั้วศิลปากรหรือว่าวังท่าพระเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกันกันกบพระบรมหาราชวังใครที่เคยเรียนอยู่ที่นี่นะคะก็จะนิยมย่ำต๊อกเดินเตระๆไปชื่นชมความงดงามของศิลปะตามวัดแล้วก็วังซึ่งตั้งเรียงรายอยู่ล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์แค่เรียบรวมมหาวิทยาลายัยด้านข้างก็จะเป็นละแวกท่าพระจันทร์แล้วซึ่งเป็นย่านของกินแล้วก็ถิ่นพระเครื่องด้วยหากว่าลงเรือข้ามฟากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งโน้นก็คือฝั่งสิริราชวังหลังนั่นเอง พระราชวังเดิมแห่งนี้มีความหลังด้วยเคยเป็นพระราชวังหลวงที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบังกอกใหญ่นะคะในเขตที่เคยเป็นที่ตั้งป้อมวิชัยเยนที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระานารายมหาราชค่ะว่ากันว่าตำแหน่งของพระราชวังนีเน้เป็นจุดสาคัญทางยุทธศาสตร์เลยก็ว่าได้ สามารถสังเกตการได้ในระยะไกลอีกทั้งยังใกล้กันกันกบเส้นทางคมนาคมแล้วก็เส้นทางการเดินทัพที่สำคัญนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรโดให้สร้างพระราชวังเดิมนี้ขึ้นค่ะเมื่อปี2310ภายหลังจากที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยเพื่อใช้เป็นที่ประทับแล้วก็วาดราชการพร้อมกับปรับปรุงป้อมวิชัยเยนแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นป้อมวิชัยประสิทธ แต่ว่าเดิมพระราชวังแห่งนี้เนี่ยมีอนาเขตตั้งแต่ป้อมวิชัยเย็นประสิทธิ์ขึ้นมาจนถึงคลองเหนือก็คือวัดอรุณราชวรารามนั่นเองนะคะโดยอ่ารวมวัดแจ้งเข้าไปด้วยแล้วก็วัดท้ายตลาดหรือว่าวัดโมลีโลกยารามนะคะเข้าไปในเขตพระราชวังด้วยต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ท่านก็ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติก็เลยได้ย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งพระนครโดยสร้างพระบรมหาราชวังขึ้น พระราชวังกรุงธนบุรีก็เลยได้ชื่อว่าพระราชวังเดิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้พระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือตามคํากราบบังคมทูลขอพระราชทานจากในพลเรือตรีพระเจ้าลูกยาเธอกรมเมือนชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเมื่อปี2449หลังจากที่โรงเรียนในเรือเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่สัตหีบแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะกองทัพเรือก็เลยใช้พระราชวังเดิมแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพเรือจ จนปัจจุบันนั่นเองนะคะณพระราชวังเดิมแห่งนี้ก็มักจะปรากฏเรื่องราวความลี้ลับแฝงอยู่จนเป็นที่มาของเรื่องเล่าถึงมิติลี้ลับอีกพบหนึ่งที่ไม่ใช่ภูมิของมนุษย์แต่ว่าเป็นภูมิที่อยู่ซ้อนพบกันคนละมิติเวลาทาหารที่เฝ้าเวรยามในพระราชวังเดิมทุกรุ่นต่างก็รู้กิจดีสัพของสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีค่ะว่า หากใครไม่รู้ธรมเนียมทะเลอร์ทล่าเข้าไปในวังโดยพลราการหรือว่าบางคนเนี่ยทำตัวไม่เคารพสถานที่ก็มักจะเจอดีจะได้เห็นผู้หญิงนคะแต่งชุดไทยโบราณมาหาหรือว่ามาทักทายให้ขนหัวลูกเล่นทหารบางคนเนี่ยเข้าเวรยามตอนกลางคืนก็ยังได้ยินเสียงประหลาดซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเสียงของใคร แล้วก็ไม่รู้ที่มาด้วยซึ่งเป็นเสียงของกลุ่มคนจํานวนมากค่ะเดินไปเดินมาเหมือนที่นี่กําลังมีงานใหญ่มีเสียงคนคุยกันแต่ว่าไม่เห็นตัวซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็มักเกิดขึ้นกับบรรดาข้าราชการหมู่ข้าราชบริพารที่ต้องอยู่ทํางานตามพระราชวังโบราณต่างๆเท่านั้นอย่างเช่นที่พระราชวินิจพระราชนีเวศมฤคทายวันนะคะหรือว่าในพระบรมมหาราชวังค่ะก็มีเรื่องเล่าในทํานองเดียวกันเหมือนกันคุณผู้ฟังบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทําให้ทหารนาย นเนี่ยถึงกับต้องวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตคืนนั้นเขาทำหน้าที่ทหารยามตามปกติค่ะดึกดื่นแล้วละประมาณตีหนึ่งตีสองบรรยากาศกำลังเงียบสงบเลยทีเดียวมีเพียงเสียงรีดริ่งเรไรเท่านั้น ขณะที่กำลังตรวจตราความเรียบร้อยค่ะสายตาของเขาก็พลันหันไปเห็นชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งแต่งตัวคลา้ายทหารโบราณค่ะถือดาบเดินไปเดินมาเห็นเพียงแค่นี้แหละก็พอจะเดาได้ไม่ยากว่าเป็นผีแน่นอนเพราะว่าใครล่ะจะมากล้าแต่งกายประหลาดแถมยังถือดาบมาเดินในยามวิการเช่นนี้มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องเล่ากันมาก็คือบัลังที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขาเล่ากันว่าหากใครขึ้นไปนั่งเล่นโดยไม่เคารพที่บรนลังแห่งนี้นะคะก็จะหล่นลงมาโดยไม่รู้ตัวทุกคนที่นั่นจะรู้ดีนะคะก็เลยไม่มีใครกล้าจะไปลบหลู่นะคะเรื่องของพระวิญญาณสุนทพระเจ้าตากสินเนี่ยก็ยังมีเรื่องเล่ากันตากต่อปากมานานแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเล่ากันว่ามีเพื่อนของนายทหารเจ้าของบริษัทผลบริษัทผลิตสา ร, รคดีโทรทัศน์เจ้า เจ้าหเนี่ยคเคยไปถ่ายวิดิทัศน์พระบรมรูปของพระเจ้าตากสินซึ่งที่นั่นเนี่ยก็จะมีพระบรมรูปอยู่สององค์ด้านในกับด้านนอกพอถ่ายด้านในเออดูไม่ค่อยสวยเพราะว่าแสงไม่พอก็เลยมาถ่ายด้านนอกแต่ว่าพระบรมรูปด้านนอกค่ะมีพวงมาลัยที่คนเข้ามาสักการะห้อยอยู่ระเกะระกะก็เลยถือวิสาสะเอาพวงมาลัยนั้นออกเพราะว่ากลัวจะถ่ายไม่สวย พอตกกลางคืนเท่านั้นแหละค่ะเขาก็นอนฝันไปว่ามีผู้ชายถือดาบมาต่อว่าหาว่าลบหลู่แล้วก็ยังเอาดาบเนี่ยแทงที่พุงจนตกใจตื่นเมื่อตื่นมาก็รู้สึกเจ็บที่พุงจริงๆพอก้มดูก็เห็นว่ามีรอยฉีกขาดของเสื้อบริเวณพุงตรงกับที่ฝันว่าโดนแทงพอดิบพอดี อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นกับนักข่าวสาวคนนึงซึ่งไปบวชชีพราหมณ์ที่วัดอินทารามฝั่งทนบุรีค่ะเธอไปบวชอยู่กับเพื่อนหลายวันจนคืนสุดท้ายก่อนจะสึกนะคะเธอก็ได้นําหนังสือยอดพระกันไตรปิฎกไปนั่งสวดที่หน้าพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดเมื่อสวดเสร็จแล้วนึกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยอธิษฐานเล่นๆไปบอกว่าขอให้ได้เห็นพระพักของพระองค์ท่านสักครั้งอยากให้ท่านเสด็จมาเข้าฝัน คืนนั้นค่ะก็เข้านอนเธอก็หลับสนิทไม่ได้ฝันอะไรพอรุ่งขึ้นช่วงเช้าก่อนที่จะสึกก็มีเหตุเกิดขึ้นกับชีพรามคนหนึ่งซึ่งอยู่ๆก็มีอาการเข้าทรงจนเป็นเหตุให้วุ่นวายกันอยู่พักใหญ่ นักข่าวคนนี้ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าความที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเธอก็เลยเดินออกไปถ่ายรูปบริเวณวัดเล่นๆพอได้เวลาศึกแล้วก็เดินออกมาทางวัดออกออกจากวัดนะะเพื่อที่จะกลับบ้านค่ะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเพื่อนที่ไปบวชอยู่ด้วยกันเนี่ยโทรมาหาถามว่าไปลองทีอ่อะไรที่วัดไปพูดว่าอยากเห็นหน้าพระเจ้าตากหรอ เธอได้ยินแค่นั้นแล้วค่ะขนลุกเพราะคิดอยู่คนเดียวไม่เคยพูดให้ใครฟังเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังต่อว่าระหว่างที่เธอมัวเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปที่นอกโบสถ์อยู่นั้นเนี่ยชีพรามคนหนึ่งที่เข้าทรงก็เข้าไปนั่งในศาลาและอยู่ดีๆก็พูดว่ามันอยากเห็นหน้ากูเพื่อนเธอก็เลยถามว่าใครชีคนนั้นก็เลยชี้มือมาอย่งนักข่าวผู้หญิงคนนี้นะคะแต่ว่าเรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นี้สิคะเพราะว่าหลายเดือนผ่านไป นักข่าวคนนี้ก็ได้ไปที่อยุธยาไปเจอร้านขายดาบโบราณเป็นเหล็กน้ำพีก็เลยคิดว่าเออที่บ้านมีพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินก็จะซื้อดาบตัวนี้เนี่ยไปถวายนี่ฮะเพราะว่าได้ถวายดาบแล้วเป็นฝักดาบสีดำแต่ว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยยังไม่มีก็เลยซื้อมาเป็นฝักดาบสีน้าตาล เมื่อได้มาถวายที่ห้องพระไม่นานเธอก็ฝันถึงพระสงฆ์รูปหนึ่งอายุอนามราว 40-50 ปีหน้าอุ่มอูมแววตาดุปนเมตตาค่ะท่านนั่งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาซึ่งมีดาบฝากสีน้ำตาลวางอยู่ที่ตั้งชั้นที่ตัง้งชั้นล่างสุดเธอมองท่านมองเธอแล้วก็เธอก็มองหน้าท่านในฝันเนี่ย รู้ระลึกได้ทันทีว่าเนี่ยคือสมเด็จพระเจ้าตากสินที่เธออยากเห็นพระพักเป็นนักหนาท่านเสด็จมาให้เห็นเป็นบุญตาแล้วในเพศสมณะนั่นเองนะคะทีนี้วกกลับมาในเรื่องของวังเหมือนเดิมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะท่านได้สัมผัส พ, พระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสิน เรื่องนี้เนี่ยท่านเล่าโดยหลวงพ่อดูสีลิงดำเมื่อวันที่29มกราคม2533มีบันทึกไว้ในหนังสือตายไม่สูญแล้วไปไหนหน้าที่61เรื่องที่15นะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงลาจากพุทธภูมิมีความนะคะว่าเมื่อปีพศ2500อัตมาป่วยหนักไปนอนพักรักษาตัวที่กรมแพทย์ทหารเรือซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ ไปนอนอยู่ที่ตึกหนึ่งเป็นห้องพิเศษเวลาประมาณสี่ทุ่มเศษไฟฟ้าในห้องเนี่ยังไม่ดับแล้วก็ประตูก็ไม่ได้ใส่กรอนแล้ว ถึงเวลานอนก็นอนคนเดียวยังไม่หลับก็ปรากฏนะคะว่ามีคนอยู่คนหนึ่งมายืนอยู่ข้างเตียงเป็นผู้ชายลักษณะลำล่ำท่าทางแข็งแรงธรรมะทะแมงปราดเปรียวมากผิวขาวรูปหน้าค่อนข้างเหลี่ยมนิดนิดแต่ว่ามีเนื้อเต็มหน้านะคะนุ่งกางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเขานิดนึงใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวเหนือสอกหน่อยที่อาตมาจะเห็นท่านผู้นี้ก็เพราะว่าขณะที่ไปนอนป่วยอยู่ที่นั่นเนี่ยมีความรู้สึกว่าบรรดาผีทั้งหลายอาจจะแกล้งได้ง่ายๆเนื่องจากว่ากําลังใจของคนปวย ป่วยเนี่ยเข้มแข็งน้อยก็เลยนึกในที่นี้ว่าเป็นเขตพระราชฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงขอพึ่งบรารมีให้ท่านคุ้มครองพอท่านมายืนก็มองเห็นไม่ต้องหลับตาไม่ต้องเข้าฌานในเมื่อผีจะแสดงตัวให้ปรากฏแต่ว่าความกลัวไม่มีเพราะว่าเรื่องนี้ชินมาตั้งแต่บวชพรรษาที่หนึ่งก็เลยถามท่านว่าท่านเป็นใครท่านผู้นั้นก็เลยถามว่าเมื่อกี้ท่านนึกถึงใครละ่ะ ก็เลยตอบว่านึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านก็บอกว่าผมนี่แหละพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยมองไปมองมาดูลักษณะอาการการแต่งตัวของท่านท่านก็เลยถามว่ามองอะไรก็บอกว่ามองดูลักษณะของพระเจ้าตากสินมหาราชท่านก็เลยถามว่าเชื่อหรือ ย, ยังว่าเป็นพระเจ้าตากสินแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เลยตอบบอกยังไม่เชื่อที่มองเนี่ยเพราะยังไม่เชื่อท่านก็ถามว่าไม่เชื่อตรงไหน ก็บอกว่าไม่เชื่อตรงกางเกงกับเสื้อเพราะพระมหากษัตริย์ไม่มีผ้านุ่งแบบนี้ท่านถามว่ากษัตริย์ต้องทรงเครื่องกษัตริย์นอนเชียวหรือนี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้วนะก็เลยบอกว่าจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อเป็นกษัตริย์เวลาเป็นผีมาแสดงตนให้ปรากฏก็ต้องใช้เครื่องแบบกษัตริย์ท่านบอกว่าใช้เครื่องทรงกษัตริย์ก็ได้พอพูดจบเครื่องทรงก็เป็นกษัตริย์ทันทีนะคะท่านถามว่าเชื่อหรือยัง หลวงพ่อก็เลยตอบบอกตอนนี้เชื่อแล้วต่อมาก็คุยกันตั้งแต่4ี่ทุ่มเศษถึงตีห้ครึ่งคุยกันเรื่องในอดีตความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งแต่เป็นเด็กชายศินไว้หางเปียจนกระทั่งถึงขั้นวางแผนให้เป็นรัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์เป็นการยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้ถูกราชการที่1ประหารชีวิตนะคะเมื่อรัชการที่1นึถลิงราชสมบัติแล้วก็นำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งท่านบวชเป็นพระแล้วนั่งทานหามไปส่งออก ทางปากท่อตอนกลางคืนไปส่งที่ถ้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลูกชายของท่านมีสองคนคนพี่ให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจะได้บำรุงพ่อคนน้องก็ได้ทุนเป็นพ่อค้าสำเพอหาทรัพย์สินเข้าเมืองเป็นการยืนยันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนสวรรคตเป็นพระสงฆ์ไม่ได้ถูกฆ่าตายพระองค์สวรรคตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนถ้ำที่ท่านพักอยู่ก็ยังอยู่นะคะมีกุฏิหลังหนึ่งที่เขาทําเรียนแบบไว้ แต่ว่าความจริงกุติที่อยู่จริงๆเนี่ยดีกว่านั้นเขาทําให้มีความผาสุกกว่านั้นออกจากถ้าท่านก็มีที่พักมีห้องพักแบบสบายๆความจริงท่านไม่ได้สั่งแต่ลูกชายเป็นคนสร้างให้ท่านอยู่ด้วยความสงบคนที่เป็นกรรษัตริย์มาแล้วเป็นทุกอย่างมาแล้วมันก็หมดความโลภความโกรธความหลงแล้วก็เป็นคนแก่ด้วยก็ยิ่งหมดความรักเพราะฉะนั้นนะคะการปฏิบัติธรรมของท่านก็ถือว่าเคร่งครัดแต่ว่าไม่ได้เคร่งเครียดนะ คำว่าเคร่งครัดก็คือปฏิบัติตรงไปตรงมาในมัชิมาปฏิปทาค่ะซึ่งก่อนที่ท่านจะลากลับหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เลยถามว่าขอหวยสัก2ตัวได้ไหมท่านบอกว่าสมัยผมมีแต่หวยจับยี่กีหวยแบบเลขท้าย2ตัวสาตัวแบบนี้มันไม่มีเรื่องหวยเนี่ยผมไม่รู้หรอก แต่เวลานี้ผมมีสตางค์ติดกระเป๋าเพียงแค่25สตางค์ผมขอถวายหมดพูดแล้วท่านก็หยิบเหรียญย5สสตางค์นี้โยนไปที่ใต้เตียงค่ะปรากฏว่าภายในคืนนั้นข่าวกระจายไปทั่วกรมอู่ทุกคนก็เล่นเลขท้าย2ตัวถูกกันค่ะในะเลขท้าย2ตัวที่บอกว่า2 5นี่แหละนะคะ ต่อมาในวันที่29มกราคม2533วันนั้นพันเอกสถาพรก็ได้นําดาบเล่มหนึ่งจากเมืองตากเขาบอกว่าเป็นดาบของสุเนพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อมาให้เจ้ากรมกาอาเจ้ากรมการสัตว์ทหารบกที่นคนปรปฐมคืนนั้นก็นําดาบตั้งไว้ในที่ที่มีเครื่องสการะเพราะตกดึกเวลาประมาณสักเที่ยงคืนค่ะเวลาจะนอนก็ทาจิตเป็นสมาธิตามปกติของพระ ก็เห็นภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินสวยงามมากมาที่ดาบก็ถามว่าท่านมาทำไมท่านก็บอกว่าอา้าวก็เขาบอกว่าดาบของผมนี่ครับผมก็มาทำให้มันหน่อยถามว่าทำแล้วจะมีประโยชน์อะไรบ้างท่านก็บอกว่าประโยชน์เนี่ยมี หลังจากนั้นก็คุยกันถามว่าเวลานี้ลาจากพุทธภูมิหรื อ, อยังท่านบอกว่ายังไม่ได้ลาจึงถามว่าตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆหรือท่านบอกว่าเวลานี้พระโพธิสัตว์ที่มีบา ร, รมีเต็มรอคิวกันยาวเหยียดผมก็อยากจะลาพุทธภูมิเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าลาแล้วจะมีผลเป็นประการใดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปคุยกันกับพระดีกว่าได้ไมท่านบอกว่าไปสิที่มานี่ก็จะชวนไปหาพระด้วยกัน เมื่อไปถึงกระาบท่านแล้วก็ถามว่าเวลานี้เทวดาสินเป็นพระโพธิสัตว์อยากจะถามว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่เท่าไหร่หลังจากพระศรีอริยะเมตไตรไปแล้วพระท่านก็บอกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามสิบหลังพระศรีอริยะนิพพานไปแล้ว ก็เล่นเอาเทวดาศินต้องไปนั่งยิ้มที่ชั้นดุสิตอีก30นะคะพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวก็เลยถามพระท่านว่าถ้าเทวดาศินจะจากพุทธภูมิเมื่อไรจะไปนิพพานท่านบอกว่าเทวดาศินเนี่ยถ้าหากลาพุทธภูมิเป็นสาวกภูมิแล้วกําลังเต็มมานานแล้วก็เหลือแต่เอหิภิกขุเท่านั้นก็พอแล้วถ้าตรัสว่าเอหิภิกขุเทวดาศินก็เป็นพระสมบูรณ์แบบท่านก็เลยเข้าไปกราบพระพระท่านก็บอกว่าเอหิภิก ข, ขุเจ้าจงเป็นภิกษุเถิด เพียงเท่านั้นแหละนะคะเทวดาสินก็กลับสภาพจากเทวดาเป็นวิสุทธิเทพนี่เป็นเรื่องของนิมิตลืมตาไม่ใช่นิมิตหลับตาไม่ได้เข้าฌานสมาบัติถ้าถามว่าถ้าไม่เข้าฌานสมาบัติแล้วจะรู้ได้อย่างไรก็บอกว่าท่านแสดงภาพให้มันรู้มันก็รู้ด้วยกันทุกคนแหละไม่ว่าใครก็ตาม คนที่ผีเข้าชานันอ่าคนที่ผีเข้าเข้าชานหรือเปล่าเดินไปแล้วถูกผีหลอกต้องเข้าชานหรือเปล่าสภาพนี้ก็ไม่เหมือนกันผีไม่ได้หลอกแต่ว่าผีมาชวนคุยผีมาบอกตามความเป็นจริงก็ไม่จำเป็นต้องเข้าชานสมาบัตินั่นเองนะคะ เชื่อมีเชื่อจริงไม่จริงก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังจะใช้วิจารณญาณของตัวเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านได้จดบันทึกไว้นะคะในหนังสือของท่านค่ะก็หาอ่านหาฟังกันได้เลยนะคะหมดเวลาของพระเจอผีในคลิปนี้แล้วล่ะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยถ้ า, าถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กับบีด้วยพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ